นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมาสพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมาสพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสะมาสะพุทธะโยชาตังคาเสนะังยาเมมานเซชิี เจกันจะเชยมัตตานังเเวสร้างงานมชุดตมโมตีวันนี้มาให้ทานธรรมแก่ท่านพุทธศาชนิกผนทั้งหลายมีท่านที่ได้รับความทุกข์ทรมานทั้งที่ล้มหายตายจากไปทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยความ ผลทุกทรมาให้ได้ฟังตามหลักธรรมที่จะอธิบายต่อไปนี้อย่างถึงใจวันนี้ได้ยกสักผู้ขอให้ละงับสักนิดหนึ่งขอชั่วเวลาเล็กน้อย ความโลกตามหลักธรรมของอพระพุทธเจ้าคือสงครามที่เกี่ยวกับภาตุขังความทุกข์ความทรมานความประสบพบเห็นสิ่งที่ไม่พอใจความล้มหายตายจากเหล่านี้เรียกว่าเป็นสงครามของโลก เรียกว่าสงครามโลกก็ได้เราเกิดมาในโลกด้วยกันจะต้องได้ประสบพบเห็นสงครามเหล่านี้ซึ่งมีอยู่ทั่วทั่วไปทั้งสิ่งที่มีวิ ญ, ญญาณและไม่มีวิ ญ, ญญาณคลองเฉพาะ อ, อย่างยิ่งก็คือสิ่งที่มีวิ ญ, ญญาณคลองนี่แหละได้รับความกระทบกระเทือนมากยิ่งกว่า สิ่งอื่นใดทั้งหมดเพราะฉะนั้นพระพุทธทเจ้าท่านจึงประทานพระโอวาทไว้สำหรับจิตซึ่งเป็นนักต่อสู้ถ้าเป็นผู้ต้องการความกิงก็เรียกว่าเป็นนักลบให้รู้หลักพิชาแห่งการลบเพื่อชัยชนะสาหรับตนเอง อย่างน้อยก็มีสุขคติเป็นที่ไปมากกว่านั้นก็ถึงความพ้นทุกข์ได้ด้วยความรู้ความฉลาดความสามารถของจิตที่ได้รับการอบรมมานักราปทั้งหลายมีพระพุทธทเจ้าเป็นต้นท่านทรงสั่งสอนการให้ทานการรักษาศีลการเจริญเมตตาภาวนามาไม่ขาดวักขาดตอนตั้งแต่การไหนไหนก็เพื่อ ให้ความรู้ความฉลาดให้กำลังแก่จิตใจนั่นเองส่วนร่างกายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและชลาคํำค้าไปตามการของมันแล้วดับไปในที่สุดไม่เป็นสิ่งสำคัญสิ่งเหล่านี้มีทางยุติได้เมื่อหมดกำลังของมันแล้วเรียกว่าสลายลงไปก็ยุติดินก็ลงไปเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟตามหลักธรรมชาติของมัน แต่ใจนี้ไม่เป็นเช่นนั้นสิ่งเหล่านี้สลายลงไปแล้วแต่ใจไม่สลายสิ่งใดที่ใจไม่รู้เท่าทันย่อมจะได้รับความกระทบกระเทือนเพราะสิ่งนั้นอยู่เสมอถ้าสิ่งใดรู้เท่าทันก็ลบหลีกปีตัวหรือผ่านพ้นไปได้พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนเกื้อความรู้ความฉลาด ให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายมีพุทธบริษัทเป็นสำคัญพอเวลานี้เราทุกท่านเป็นพุทธบริษัได้เข้าสู่สงครามระหว่างขันกับใจของเราจึงต้องพยายามหาความรู้ความฉลาดให้ใจได้รู้เท่าทันระหว่างขันจะเกิดความนิ่นโกลยิ่การหรือแตกสลายประการใดก็าตาม ภัยกิจซึ่งเป็นเจ้าของนั้นได้ทราบเรื่องความจริงของสิ่งเหล่านั้นด้วยสติปัญญาความรอบคอบของตนใจก็จะไม่เป็นทุกข์สมกับว่าใจเป็นนักรบได้ใจชนะไปเรื่อยๆธำว่าทานได้แก่การเสียสละนี่ก็คือเป็นหนึ่งเป็นการแก้วความมัจฉิยะเหนียวแน่นความเห็นแก่ตัวซึ่งเป็นคู่กันกับความโลภมากออกได้เป็นลำดับลํำดับ ศีลได้เจตความดีอันหนึ่งที่จะรักษากายวาจาของเราให้สะอาดมีใจเป็นสิ่งสำคัญที่จะรับความสะอาดันเป็นผลเกิดขึ้นจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทางกายวาจานี้ใจเป็นสิ่งสำคัญที่จะรับความรู้ความถนาดจากการอบรมมีจิตตภาวนาเป็นต้น ใจจึงควรได้รับการอบรมอยู่โดยสม่ำเสมอจนกว่าจะพ้นจากสงครามเหล่านี้ไปดังพระพุทธเจ้าของเราตามหลักธรรมที่ยกขึ้นไว้ณนะเบื้องต้นนั้นว่าโยชาตั้งซาตเซณสังรนะา ม, มานุเซชินิเอกันจะเชยยมัตตานังสเสวสังรามัชุดตมโกแต่เนื้อความย่อๆว่า การชนะคนอื่นสัตว์อื่นนั้นเป็นจำนวนล้านก็ตามไม่จัดว่าเป็นการชนะที่จะยังความสุขความเจริญความหาสุขเย็นใจมาสู่ตนและผู้เกี่ยวข้องได้เลยนอกจากเป็นการก่อเวรซึ่นกนะกันขึ้นให้มากมูลเท่านั้นผู้ใดเป็นผู้ฉเฉียยวฉลาดสามารถชนะตนได้ แล้วผู้นั้นแลเป็นผู้ประเสริฐสุดในโลกการชนะตนการแพ้ตนอยู่กับเราแต่ละคนละคนแต่ละท่านละท่านคำว่าแพ้เรานั้นคือแพ้อย่างไรอุบายวิธีการต่างๆไม่เพียงพอกับสิ่งที่แหลมคมได้แก่กิเลสตัณหาอาสวะซึ่งครอบงำอยู่ภายใน จ, ใจิตใจเสียเล่เสียเดี่ยมให้มันอยู่เสมอเลื่อยมาจึงต้องมีแพ้ แล้วกิเลสอยู่กับใจเมื่อแพ้ก็แพ้ที่ใ จ, ใจได้ผููดได้รับผลแห่งความแพ้ก็ต้องเกิดความทุกข์ความทรมานภ า, นายในจิตใจอยู่เรื่อยมาผลแห่งความชนะจะเกิดจากเหตุแห่งความฉลาดให้ยามแก้ไขดัดแปลงจิตใจของตนให้มีความรู้ความฉลาดฝึกฝนอบรมจิต ให้ทันกับเหตุการณ์ที่เป็นค่าศิกต่อจิตใจของตนอยู่โดยสม่ำเสมอเมื่อได้รับการอบรมจนมีความเฉียยวฉลาดและถึงขั้นพอตัวแล้วนั้นชื่อว่าเป็นผู้ชนะได้แล้วสึ่งตนคขมาตนในสถานที่นี้หมายถึงกิเลสที่เป็นเจ้าอำนาจอยู่ภายในจิตใจของเราเมื่อทำลายกิเลสกิเลสิ เสร็จสิ้นไปแล้วเรียกว่าชนะศัตรูตนนั้นก็เป็นตอนอิสระไม่ได้ตนเป็นตนแบบเสกสรรทันหยอดอย่างโลกทั่วๆไปเข้าใจหรือสําคัญกันหมายถึงใจที่บริสุทธิ์หลุดพ้นแล้วจากสิ่งกดถ่วงทั้งหลายวันนี้ได้มาแสดงธรรมเกี่ยวกับท่านผู้ที่รับความทุกข์ความลำบาก ผู้ที่เดีล้มหายตายจากไปก็มีมีคุณแม่และคุณทวีศักดิ์และน้องของคุณวันเพ็ญเป็นต้นท่านเหล่านี้ก็เรียกว่าท่านตายในแนวรกไม่ใช่ตายด้วยความแพ้ไม่ใช่ตายด้วยความท้อถอยแต่ตายอยู่ในแนวรกทราบว่าท่านเหล่านี้ไป บำเพ็ญกองการกุศลคือประทไว้ผ า, าป่าบางสกุลแก่วัดด้วยเจตนาที่เป็นกุศลแต่ไปยังไม่ถึงที่จุดหมายปลายทางที่ตนต้องการก็ได้ไเกิดอุปัติเหตุได้เสียชีวิตเสียในขณะนั้นเรียกว่าตายในสงครามเพราะการตายนั้นเป็นอีกอย่างเป็นอย่างหนึ่ง การทำความดีเป็นอย่างหนึ่งเหตุใดจึงเรียกว่าตายในสงครามขอยกตัวอย่างใกล้ๆเช่นพระนักปฏิบตัติผู้กล้าเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อบำเพ็ญตนให้ถึงความพ้นทุกข์ท่านนั่งภาวนาตายกับที่นั่งเรียกว่าท่านตายในสงครามตายในทางจงกรมเรียกว่าท่านตายในสงคราม ตายในท่าใดก็ตามตายด้วยท่าพามภาพเพียนเพื่อเอาชนะกับกิเลสเรียกว่าตายด้วยตายในสงครามทั้งนั้นการตายในสงครามนี้โลกถือเป็นเกียรติยศมีศักดิ์สิทมากเราชาวพุทธตายในสงครามคือกำลังไปบําเพ็ญกองการกุศล ก็ไม่มีอันใดเป็นความเสียหายเพราะเรื่องการตายนั้นอยู่ที่ไหนตายได้ด้วยกันทั้งนั้นผู้ไม่ไปบปําเพ็ญทานไปเที่ยวธรรมดาก็ตายได้เกิดอุปัติเหตุได้มีอยู่ทุกแห่งทุกหตนตําบลหมู่บ้านนีไม่ว่าบ้านเราเมืองเราแม้บ้านอื่นเมืองอื่นซึ่งเขาไม่ได้ไปเป็นบำเพ็ญกุศลอย่างนั้นเขาก็ตายได้เพราะความจําเป็นที่จะให้เป็นอย่างนั้นมีอยู่ด้วยกัน ตามสถานที่นั้นๆและแต่เหตุการณ์ที่ใช่เกิดขึ้นในลักษณะใดย่อมปรากฏตัวขึ้นมาเช่นนั้นได้ด้วยเหตุนี้เราจึงไม่ควรเสียใจกับการตายของผู้ที่พัดพากจากเราไปท่านเหล่านี้เป็นจิตที่มีจิตที่เป็นกุศลมุ่งมั่นต่อคุมงามความดีอยู่แล้วอย่างเต็มใจแม้ร่างกายจะไปไม่รอดแต่จิตใจนั้นไม่มีอะไรกดขวงหรือกดขีบ่บังคับ ให้เป็นแบบที่ว่าอุปาหิติเหตุได้เหมือนร่างกายย่อมจะไปสู่สถ า, านที่ดีคติที่งามซึ่งเรียกว่าสุขคติโดยไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคเพราะไปด้วยอํานาจแห่งกุศลที่ตนได้บาเพ็ญนั้นส่วนกุศลจะได้ถึงจุดหมายปลายทางแห่งการกระทําแล้วหรือไม่ก็าตามจิตเต็นสิ่งสําคัญที่ได้มุ่ง ม, มั่นอยู่แล้วตั้งแต่ขณะตั้งใจจะบริจาคทุกระยะไป เรียกว่าจิตที่เป็นกุศลได้ก้าเข้ า, ขาแล้วสู่สนามรบกับกิเลสตัณหาอาสวะมีความตรณีเหนียวแน่นความเห็นแก่ตัวเป็นต้นเมื่อชีวิตหาไม่แล้วส่วนบุญส่วนกุศลที่เป็นไปด้วยเจตนาอันดีงามนั้นย่อมไม่ขาดทุนศูนย์ดอกไปไหนย่อมเป็นไปตามเจตนาหวัง ฉะนั้นนักปราบทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นท่านจึงสอนม่ให้โลกประมาทคาว่าประมาทได้แก่นอนใจนอนใจในชีวิตสังขารนอนใจในทุกหลายด้านหลายทางที่จะให้เสียผลเสียประโยชน์ในวันหนึ่งคืนหนึ่งที่ผ่านพ้นไปผ่านต้นไปแต่วันแต่คืนต้นเองไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยนั้นมีจำนวนมากส่วนเราทั้งหลายได้บำเพ็ญคุณงามความดี เป็นผู้ระลึกได้ในเรื่องความเป็นความตายจึงไม่มีมจึงไม่ประมาทนอนใจบำเพ็ญความดีอยู่โดยสม่ำเสมอเฉพาะอย่างยิ่งการทำจิตใจของตนให้รู้เท่าทันกับเหตุการณ์ต่างๆนั้นเป็นวิชาที่ฉนาดแหลมคมมากสามารถที่จะยังจิตใจของเราให้มีความยับยัง้งไม่กระทบกระเทือนได้ดังที่โลกทั้งหลายเป็นกันอยู่ เพราะเรามีธรรมะมีสติปัญญาพิจารณาค่าควรตามสภาวธรรมที่เป็นไปต่างๆดังที่เราเคยเห็นมาแล้วเรื่องความตายไม่มีอันใดที่จะหักห้ามได้ไม่ว่าหญิงว่าชายว่าชาติชั้นวันณะใดและตายด้วยเหตุใดก็เช่นเดียวกันตามแต่กรรมของตนที่เป็นมาควรที่จะเป็นไปในแง่ใดย่อมเป็นไปได้ทั้งคนง่ทั้งคนฉลาด ทั้งคนมั่งมีและคนจนเป็นได้ด้วยกันทั้งนั้นเพราะกรรมเป็นของของเราด้วยกันทุกคนเราไม่สามารถที่จะทราบได้ว่าตั้งแต่ก่อกำเนิดเกิดเป็นสัตว์เป็นบุคคลเรื่อยมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ได้สร้างกรรมดีกรรมชั่วไว้มากน้อยเพียงไหถึงวาระที่ควรจะเป็นและปรากฏขึ้นมาเราจรึงจได้อาจทราบได้ฉะนั้นท่านจึงสอ น, นให้ประมาท ในกรรมที่เราจะพึงทำเมื่อมีชีวิตนี้หรือเมื่อชีวิตยังอยู่ให้บําเพ็ญเสียตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปการตายก็มีแต่กาลเวราลากซากศพซึ่งไม่เป็นสมบัติของใครท่านเรียกว่าอนัตตาจะกระจายลงไปสู่ธาตุเดิมของตนเท่านั้นส่วนสมบัติอันเป็นสิ่งที่จะสนับสนุนเราให้ ไปสู่สถานที่ดีคติที่งามหรือให้หลุดพ้นจากทุกนั้นได้แก่บุญแก่กุศลที่เราได้สร้างมาเป็นลาดับลำดานี้คือเพื่อนสนิทมิตรสหายที่เพิ่งเป็นเพิ่งตายของเราได้จริงๆการสร้างความดีไว้ภ า, ายในจิตใจให้มากก็เหมือนกับเราสร้างความอบอุ่นความอุ่นหนาฟ้าข้างไว้กับใจของเรา ให้มีความร่มเย็นเต็มจุกอยู่เสมออยู่คนเดียวก็มีความร่มเย็นมีอยู่กับหมู่กับเพื่อนก็มีความร่มเย็นคิดถึงเรื่องความเป็นความตายก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราเตรียมพร้อมไว้แล้วทุกอยาก่างภายในตัวของเราเราเป็นคนทำเรารู้เราเห็นเราเข้าใจทุกด้านทุกทางเพราะฉะนั้นอานาจแห่งความเข้าใจนี้ประการหนึ่ง กับสิ่งที่เราทําอันเป็นบุญเป็นกุศลนั้นเราจะจําได้ไมาได้ก็ตามนั่นประการหนึ่งซึ่งเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจของเราอันเป็นนักท่องเที่ยวเพราะใจนั้นไม่อยู่เพียงแค่ที่วัดตายแล้วสิ่งทั้งหลายสลายลงไปใจก็หมดปัญหาไปเพียงเท่านั้นใจเป็นเจ้าปัญหาจะหมดไปไม่ได้เมื่อเหตุเมื่อปัจจัยของใจยังมีอยู่แล้วใจจะต้องเป็นตัวปัญหาก็เรื่องก่อราวให้เจ้าของอยู่เสมอ หากว่าเป็นเรื่องดีเจ้าของจะรับความสุขความสบายถ้าเป็นเรื่องร้ายเรื่องไม่ดีก็จะได้รับความเดือดร้อนเพราะฉะนั้นท่านกึงสอนให้รู้เท่าทันกลมายาของสิ่งต่างๆซึ่งมีอยู่ภายในใจิตใจไอ้ซ้ำลอกเอกไอโดยลําดับด้วยการสร้างคุณงามความดีศาสนาพระพุทธเจา้าท่านทรงสั่งสอนโลกนั้นสอนอย่างด้วยความรู้ยิง่งเห็นจริงพ ร, พระพุทธเจา้า พระองค์ท่านรู้จริงเห็นจริงการสอนโลกจิงไม่สอนแบบรูปคำด้นเดาสอนตามความจริงความจริงมีอยู่กับโลกศาสนาธรรมก็มีอยู่กับโลกผู้รู้จริงเห็นจริงก็คือพระพุทธเจ้าซึ่งกลัสรู้ในโลกสอนความจริงให้แก่สัตร์โลกด้วยความสนพระไใจของสัตว์โลกมีความมุ่งมั่นต่อความรู้จริงเห็นจริงตามพระองค์ท่านเหตุใดจะไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจ ต้องรู้ต้องเห็นต้องเข้าใจจะเพราะอย่างยิ่งกิตตภาวนาเวลาเป็นเช่นนี้เป็นความจำเป็นมากที่เราจะต้องนำมาใช้พิจิตพิจารณาถึงเรื่องสังขารร่างกายคําแตกความเสีหลายซึ่งใครๆก็ไม่ต้องการเหตุใดจึงเป็นไปได้ทุกลูกทุกนามทั้งๆ ท, ที่ไม่ต้องการด้วยกันนี่ก็เพราะเป็นคติอันใหญ่ถ้าทางก็เหมือนกับทางหลวงใครจะไปกัน้นกลางห่วงห้ามไม่ได้ หรเหมือนแม่น้ำมหาสมุทรใครจะไปทดแต่กั้นไม่ได้เหมือนทางหลวงใครจะไปปลูกบ้านปลูกเรือนอกีดขวางไม่ได้นี่เรื่องความตายก็เช่นเดียวกันเป็นคติธรรมดาอันใหญ่หลวงมากมีมาตั้งแต่ดั้งเลยหากว่าเป็นสิ่งที่จะลบล้างได้แล้วไม่มีใครที่จะสามารถฉลาดรู้ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าจะสามารถลบล้างสิ่ง น, นี้ให้สัตว์หมดทุกรายทีเดียวจะไม่ให้เดือรับความทุกข์ความนํบาบาก แต่นี้ก็เป็นไปไม่ได้เพราะเป็นทางหลวงเป็นความจริงลบไม่สูงจะมีแต่อุบายวิธีที่จะให้พยายามแก้ไขแล้วลบออกที่จะศูนได้ได้ใจใจของหน่อกันหนที่จะเป็นสาเหตุให้พาไปเกิดให้รับความทุกข์อยู่โดยสม่ำเสมอไม่หยุดไม่ยั้งจนกระทั่งบัดนี้คืออะไรเป็นเชื้อนี่เป็นสิ่งสำคัญพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนโลกให้รู้วิธีการ แก้ไขสิ่งเหล่านี้หรือถอดถอนสิ่งเหล่านี้ออกจากใจได้แกความดีทั้งหลายมีสติกับปัญญาเป็นสำคัญที่จะถอดถอนสิ่งที่เป็นค้าศึกต่อใจของตนอันจะสร้างปัญหาขึ้นมาเรื่อยๆวันนี้จะอธิบายถึงเรื่องจิตภาวนาให้ท่านทั้งหลายได้นำไปพินิจพิจารณาปฏิบตัติต่อตัวเองให้เกิดผล ไม่มากก็น้อยให้เห็นประจักษ์ตนใจเป็นสิ่งที่หวั่นไหวได้ง่ายรู้ก็เร็วหวั่นไหวก็เร็วตั้งตัวไม่ค่อยได้เพราะสิ่งที่มาหลอกลวงมีมากยิ่งกว่าความจริงที่จะเข้าไปสนับสนุนเข้าไปให้เป็นหลักยึดสิ่งเหล่านี้เคยมีอยู่กับใจเรามานานเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยหลักธรรม ท่านกาวไว้ในหลักธรรมว่าชาติธรรมมิชรังอนาติโตมารณธรรมมิมานังอนาติโตดังนี้เป็นต้นความแก่ความชราความตายมีประจำตนด้วยกันทุกรูปทุกนามเมื่อเรายกเรื่องความตายขึ้นมาแล้วเราจะเอาอะไรเป็นเครื่องสร้างคานหรือเป็นเครื่องตัดความเดือดร้อนที่เราไม่อยากตาย ก็ต้องอาศัยการสร้างหลักจิตใจขึ้นภายในตัวใจทำไมจีต้องได้สร้างหลักเพราะใจไม่มีหลักหลงไปตามอารมณ์วุ่นวายอยู่ตลอดเวลาการสร้างหลักหลักให้ใจนั้นภาวนาอย่างน้อยก็เบื้องต้นให้ฝึกหัดภาวนาพุทโธหรือกําหนดอนาปานสติให้จิตของเราได้มีความสงบร่มเย็นหรือเวลา ไม่สมายอย่างนี้ก็ถือทุกขเวทนาเป็นเครื่องพินิจพิจนนารณาใจนั้นไม่ตายทุกขเวทนาเกิดขึ้นภายในร่างกายใจถ้ารู้เท่าทันแล้วใจก็ไม่มีทุกขเวทนาดังร่างกายคิดไปปรากฏขึ้นนี่เรียกว่าใจรู้เท่าทันถ้าไม่รู้เท่าทันโรคของกายก็ปรากฏขึ้นโรคของใจก็ทวีรุนแรงขึ้น โรคสองโรคบวกกันเข้าก็เป็นไฟทั้งกองเผารนตัวของเราให้รับความเดือดร้อนนั่งก็ไม่เป็นสุขนอนก็ไม่เป็นสุขในเอียบททั้งสี่หาความสุขไม่ได้เพราะไฟทั้งสองกองนี้เผารนตัวของเรากา น, นจริงต้องสร้างสติปัญญาศรัทธาความเพียรให้รู้เท่าทันคติธรรมดาคือว่าความตายนี่กลัวก็ตามไม่กลัวก็ตามต้องตายด้วยกัน ความแก่เป็นคู่กับรู้กับนามมีความชราค้ำค่าไปโดยลำดับถึงวาระสุดท้ายก็ต้องตายเมื่อเราทราบความจริงของมันแล้วเช่นนี้เราก็สร้างสติปัญญาให้รู้เท่าทันกับสิ่งเหล่านี้ถึงร่างกายจะแตกไปใจของเราก็ไม่แตกเพราะใจไม่เคยตายตั้งแต่การไหนไหนมาเป็นแต่เพียงว่าใจหาความฉลาดหรือใจมีความฉลาดไม่พอ จึงต้องเป็นไปตามอํานาจของสิ่งที่มีอํานาจมากกว่าแล้วจุดลากทห้ไปเกิดให้ได้รับความทุกข์ในสถานหรือในภพ ก, กําเนิดต่างๆเรื่อยๆไม่ว่าท่านว่าเราเป็นเหมือนกันท่านกล่าวไว้ว่ากรรมสัติวิพัต ช, ชิติยติดังหินาปญีตังกรมเป็นเครื่องจําแนกแก่กศัตว์ให้เป็นต่างๆกันคําว่ากรรมเพียงเท่านั้นเราก็ทราบแล้วว่าเราเป็นตัวการของการสร้างกรรม สร้างด้วยทางกายทางมาจาทางใจกรรมดีกรรมชั่วเราเป็นผู้ทาเราจึงต้องเป็นผู้รับเหมากรรมเหล่านี้ไม่มีผู้อื่นใดที่จะมาแยกมาแยะออกจากเราได้เมื่อเราเป็นผู้เชื่อในกรรมแล้วเช่นนี้เราก็พยายามเือกเฟ้นกรรมดีพยายามสร้างกรรมดีเข้าสู่ใจใจเมื่อมีกรรมดีแล้วก็จะเป็นทางอันราบพืุนเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจ ให้ไปดีที่เรียกว่าสุขะโตถึงจะไปเกิดในภพในชาติใดก็เป็นภพชาติที่เหมาะสมภพชาติที่พึงปรารถนาไม่ใช่ที่ภพชาติที่อับเฉาไม่ใช่ภพชาติที่ได้รับความทุกข์ความทรมาน ายเมื่อเราฝึกให้ได้รับความสงบบ้างเราจะเห็นความเยือกเย็นภายในตัวของเราถ้าฝึกได้มากมีความเฉลียวฉลาดด้วยสติปัญญามากความเขาที่มีอยู่ภายในจิตใจของเราก็ค่อยเสื่อมคลายไปความสว่างกระจ่างแจ้งก็ปรากฏขึ้นมาภายในใจของเราเพียงเท่านี้เราก็ทราบแล้วว่า สมบัติที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนคือใจที่มีความสงบร่มเงยน็นและมีความฝ่องใสนี้ได้ปรากฏเป็นสมบัติของเราแล้วนี่จากนั้นเราก็จะมีความภาคเทียนพยายามขัดเราจิตใจของเราให้มีความสง่าผ่าเผยหรือฝองใสขึ้นโดยลําดับนี่หลักการฝึกขัดใจใจเป็นสิ่งที่ไม่ตายนี่เป็นหลักความจริงอันหนึ่ง กานาทราบเอาไว้ร่างกายเป็นส่วนผสมมีการผสมกันมีการสลายไปที่เรียกว่ามีการเกิดการตายแต่ใจนั้นไม่มีเรื่องคำว่าเกิด or คาว่าตายนะเกิดก็หมายถึงรูปร่างนี้เกิดใจเข้าไปอาศัยอยู่นั้นแล้วเวลาร่างอันนี้สลายไปใจก็ออกจากร่างนี้ไปก่อร่างนั้น ไปก่อร่างนั้นถ้าใจมีคุณงามความดีก็ไปก่อร่างใหม่มีฐานะสูงยิ่งกว่านั้นมีความสุขมากยิ่งกว่าเดิมไปโดยลำดับแต่ถ้าใจอับเฉาไม่ได้สร้างตนเองในทางที่ดีพอจะตาต้อยลงไปโดยลำดับผลใหาเกิดขึ้นจากการตามต้อยนั้นก็คือความทุกข์ความไม่สบายอยู่ที่ไหนก็ประสบพบตั้งแต่ความทุกข์ความทรมานจิตใจ นี่คือผลแห่งความไม่ดีแสดงขึ้นมากับใจใจเป็นผู้รับผลเหล่านี้จึงเรียกว่าใจเป็นนักต่อสู้ทุกก็จำเป็นต้องยอมรับสุกขก็จำเป็นต้องรับเพราะตนทำขึ้นมาเอง <c oughs> <c oughs> เมื่อมีชีวิตอยู่เช่นนี้จึงไม่ควรประมาทให้พยายามสร้างความดี เราอยากกลัวตายจนจนถึงกับจิตมีความหวั่นไหวรุ่มร้อนไม่ดีเลยนี่เป็นการเพิ่มความทุกร้อนขึ้นภ า, ายในจิตใจของเราให้สร้างสติขึ้นมาให้รู้เท่าทันกับทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นภ า, ายในร่างกายด้วยใจที่มีสติด้วยใจที่เยอเือยกเย็นอย่าไปร้อนกับความทุกข์ที่เขาเป็นเรื่องอันหนึ่งเช่นเดียวกับ กองไฟมีความร้อนอยู่ตามตามธรรมชาติของมันเราอย่าไปร้อนกับไฟไฟให้อยู่แห่งหนึ่งเราให้อยู่แห่งหนึ่งต่างหากไฟแม้จะร้อนก็ไม่ร้อนถึงตัวเราเพราะเราไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับไฟนี่พระทุกเวทนาแม้จะปรากฏเป็นทุกข์ขึ้นภายในจิตใจแต่ใจของเรามีความฉลาดใจของเรามีสติเป็นเครื่องรักษาตนแยกออกได้ระหว่างเมทนากับใจ ใจก็ไม่เข้าไปให้เวทนาเผาลนก็ไม่เกิดความทุกข์ร้อนนี่มีอุบายวิธีพิจารณาประการหนึ่งประการสําคัญก็คือการพิจารณาอยู่โดยสม่ําเสมอในเรื่องธาตุเรื่องขันพิจารณาหลายครั้งหลายหนก็แยกแยะกันได้เองไม่ใช่ว่าเราพิจารณาครั้งเดียวหนเดียวแล้วก็ผ่านพ้นไปได้เลยอย่างนั้น ต้องพยายามหลายครั้งหลายหนแล้วจิตของเราก็ค่อยมีความเฉลียวฉลาดขึ้นไปโดยลำดับเหนยนเยรวันนี้เสียงกระทึกมากคำว่าป่าช้า<ม>เราอย่าไปหมายสถานที่นั่นหมายสถานทีนีคเช่นไปหมายที่เมนเป็นป่าช้า ให้พึงหมายถึงตัวของเราเองเป็นป่าช้าเราจะได้มีความกล้าหาญต่อการที่พิจารณาด้วยความไม่ประมาทถึงคราวร่างกายของเราเป็นป่าช้าขึ้นมาคือตายขึ้นมาตากรตูตายปรากฏตัวขึ้นมาเราจะไม่เดือดร้อนเพราะเราได้พิจารณาไว้แล้วด้วยสติปัญญาของเรานี่เป็นหลักสําคัญที่เราจะพึงพิจารณาเป็นประจำวัน ส่วนความรู้ความฉลาดที่จะมากยิ่งกว่านั้นเมื่อมีพื้นฐานแล้วก็จะค่อยเป็นไปเองจนเกิดความเฉลียวฉลาดสามารถถอดถอนจิตของตนออกได้จากสมมุติโดยประการทั้งปวงดังพระพุทธเจ้าท่านทรงถอดถอนได้ด้วยความเทียงคําว่าจิตบริสุทธิ์นั้นหมายถึงจิตที่พ้นจากสมมุติแม้กิเลสอันละเอียดก็เรียกว่าสมมุติเหมือนกันได้ผ่านพ้นไป โดยสิ้นเชิงแล้วจึงเรียกว่าจิต ท, ที่บริสุทธิ์เมื่อจิต ท, ที่บริสุทธิ์แล้วเรียกว่าเป็นผู้ชนะอันเลิศในไตรภพนี้ไม่มีสิ่งใดที่จะมาเหยียบย่ําทําลายหรืออยูุ่าอํานาจของสิ่งใดอีกเลยท่านจึงเรียกว่าเป็นผู้ประเสริฐว่าเอกังจะเทยมตตานังสเสวสั่า ง, งามชุตตโมการลบกิเรนตันหาอาสวะภ า, า, ายในจิตใจของเรา จนได้ความชนะลบความโลภความโลภความโกรธความหลงซึ่งเป็นข่าศึกอยู่ภายในใจิตใจเราออกได้ออกได้โดยลํำดับจนกระทั่งถึงหมดไปไม่มีสิ่งใดเหลือเลยนั่นแลคือผู้ที่ได้ชัยชนะอย่างเอกมีความสุขก็เป็นความสุขชั้นเอกไม่เป็นเอกดังที่เราตั้งกันธรรมดาว่าชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกแต่เป็นเอกในหลักธรรมชาติ ผลแล้วจากสิ่งกดทวงทั้งหลายนี่เป็นผลมาจากการตึกผลอบรมเราด้วยกันความขี้เกียจอ่อนแอไม่ใช่ของดีให้พยายามกำจัดปัดเต่าออกเสมอความขยันหมั่นเพียรหนักก็เอาเบาก็สู้นั่นแหละคือทางความเพียร ของผู้เป็นลูกศิษยตถาคตอย่าให้วันคืนปีเดือนเสียไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อันใดเลยเราอยู่ด้วยความหวังด้วยกันข อ, อ่ะให้ความหวังนี้ขาดลอยไปจากใจโดยไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาตอบสนองเลยการสร้างความหวังเราหวังสิ่งใดจะนอกเหนือไปจากการสร้างความดีนี้ไม่ได้การสร้างความดีนี้เป็นแก้วสารพัดนึก เมื่อเรามีความดีแล้วเรานึกอะไรก็เป็นมาเป็นมาสมหวังทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อถึงที่แล้วก็สมหวังโดยประการทั้งปวงนี่หลักการสร้างตนให้สมหวังให้ปรุงทาอย่างนี้นเรื่องความขี้เกียจอ่อนแอความท้อถอยเหล่านั้นเป็นมาสนับกั้นกลางทางเดินของเราไม่เป็นไปเพื่อความสมหวัง อะไรก็ผิดหวังไปหมดเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องทำลายการงานที่จะทำเพื่อความสมหวังนั้นๆเราอยากให้เสียเกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งชาติชาตินี้เป็นชาติเอกของเราในบรรดาสัตว์ทั้งหลายไม่มีใครเป็นเอกยิ่งกว่ามนุษย์เราอยากให้ชาติอันเอกปุของเรานี้ได้เสียไปเปล่าๆโดยไม่เกิดประโยชน์ไม่ได้ทประโยชน์อะไรแก่ตัวเราและผู้อื่นเลยไม่สมควรอย่างยิ่งแต่ทาประโยชน์ของตน ให้มีความร่มเย็นเป็นสุขตายก็เราแน่แล้วว่าจะต้องตายด้วยกันผู้ที่ไม่เคยเป็นโรคภยัยไข้เจ็บอันใดก็ตามผู้นั้นก็จะต้องตายเช่นเดียวกับเราที่เก็บที่ไข้ที่รับความทุกข์ทรมานเมื่อถึงการแล้วไว้ไม่อยู่ต้องเป็นเช่นเดียวกันท่านจึงสอนมาให้ประมาทในชีวิตในความไม่มีโรคมีภยัยในฐานะในความรู้ความฉลาดอะไรทั้งหมด ท่านสอนให้บำเพ็ญตนให้เป็นหลักภายใน จ, ใจิตใจนี่เป็นสิ่งสัมผัญไม่มีใครที่จะมีพระเมตตาต่อโลกยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าของเราท่านสอนโลกท่านสอนด้วยพระเมตตาจริงๆเราที่จะรับพระเมตตาจากท่านด้วยการอุตสาห์พยายามบำเพ็ญ น, นี้ไม่ยากเหมือนพระพุทธเจ้าที่ทรงค้นขวายมาสั่งทำมาสั่งสอนโลกนั้นเลย เราเป็นผู้มีคุณค่าด้วยกันไม่ใช่เกิดขึ้นมาแบบโมคะมนุษย์อยาให้เป็นโมคะผุรุดโมคะสตรีโดยไม่มีสาระอะไรภายในตนให้เป็นผู้เต็มไปด้วยสิ่งสิริมงคลภายในจิตใจอยู่โดยสม่ำเสมอตายวันไหนเราก็พอตายพอตายแล้วเราไม่ได้ล่มจมมีแต่ร่างกายซึ่งเป็นของธรรมดาที่จะต้องแต่สลายลงไปเท่านั้น ส่วนใจเป็นสมบัติอล้นค่าที่เราได้พยายามกำจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่มีคุณค่าทั้งหลายออกไปจากใจใจก็มีความฝ่องใสใจมีมีสุขติเป็นที่ไปนี่คือเพื่อนเป็นเพื่อนตายของเราแท้ๆเป็นอย่างนี้พ่อแม่ญาติมิตรสาลุหิตผู้ใกล้คิดสนิทขนาดไหนก็ตามเมื่อถึงคราวตวนตัวเขาแล้วก็อาศัยกันได้เพียงสิ่งภายนอกเท่านั้น ส่วนที่จะเปพยุง จ, จิตใจผู้นั้นให้รับความสุขความสบายจะพยุงจิตใจของผู้นั้นให้ไปสู่สุขพันธิอันเป็นที่พึงปรานานั้นเป็นไปไม่ได้นอกจากบุญกรรมที่เราสร้างวันนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นจาสิ่งจําเป็นสาหรับที่เราจะต้องสร้างด้วยกันทุกคนเพื่อเป็นความมั่นใจของเราเมื่อเรามีความมั่นใจมีความแน่ใจ มีความอบอุ่นภายในใจแล้วอยู่ก็สบายไปก็หายทุกข์หายความวุ่นวายนี่เป็นหลักสาคัญขอให้นำไปประพฤติปฏิบัติอย่าได้ไปคิดเรื่องที่ผ่านไปแล้วคิดมากเท่าไหร่ก็ยิ่งก่อความทุกข์ความทรมานจิตใจให้เกิดกังวลหรือความทุกข์มากขึ้นเพียงนั้นตายแล้วก็คืนไม่ได้ หากว่าเป็นสิ่งที่คืนมาได้ด้วยความคิดแล้วโลกนี้จะไม่มีปาช้าเลยใครตายแล้วก็ไม่อยากให้ตายก็ไม่ตายเสียหรือตายแล้วอยากให้กลับคืนมาก็กลับคืนมาได้นี่แต่ความคิดเหล่านี้เป็นเครื่องกอกวนตนเองให้เดือดร้อนต่างหาไม่ได้สมหวังอะไรเลยเมื่อเป็นไปแล้วก็เป็นไปที่ยังมีเป็นฐานะอยู่ที่เราจะพยายามปรับปรุงแก้ไขให้เป็นประโยชน์แก่เราก็พึงพยายามเพราะสคัญคือใจ อย่าปลอยให้คิดมากไปถึงเรื่องคนนั้นคนนี้ที่ผ่านไปแล้วที่ตายไปแล้วให้คิดถึงเราที่ยังไม่ตายที่กำลังตนทุกทรมานที่กำลังอยู่ในระหว่างรือเรียกว่าสงครามให้พยายามแก้ไขดัดแปลงตนที่เป็นฐานะจะพึงทำได้อยู่นี้ดีกว่าที่เราจะไปคิดถึงสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เสียประโยชน์เปล่าและเกิดความทุกข์ความทรมานจิตใจฟุ้งเฟ้อหรือจิตใจเลื่อนลอยหาหลักคิดไม่ได้ ก็ยิ่งจะเป็นทุกข์มากมายอันนี้เป็นหลักสาคัญ ท, ท, ที่เราจะพึงปฏิบัติต่อตอนเองใครไม่อยากเป็นแต่มันก็เป็นจะว่าจะเพราะเหตุใดก็เพราะของมีอยู่มันก็เป็นไปตามเรื่องของมันมันเป็นของกิงอันหนึ่งเราพยายามรู้เท่าทันกับสิ่งเหล่า น, นี้ใครก็รักลูกลูกใครใครก็รักขัวใครเมียใครใครก็รักสมบัติเงินทอง ข, ของพ่อแม่ปูย่ย่าตายายของใครใครก็รักเพื่อกันทั้งนั้น ความรักนี้จะสามารถห้ามสิ่งเหล่านั้นไม่หแต่สภาพหรือสลายไปนั้นมันเป็นไปไม่ได้รักก็ไว้สําหรับรักให้เป็นไปประเภทหนึ่งส่วนที่เราจะรู้เท่าความรักรู้เท่าความจริงปฏิบัติต่อความจริงโดยถูกต้องนะฮะกักระทบกระเทือนจิตใจของเรานั้นเป็นเรื่องสติปัญญาของเราประเภทหนึ่งที่จะทําประโยชน์ให้แก่เราอันนี้เป็นหลักที่ถูกต้องการชีดมากไม่ใช่ของดี จะทำจิตของเราให้วุ่นวายสายแสมากกว่านั้นก็เผลอสติสตังเป็นบ้าไปเลยก็มีแล้วใครเป็นคนทำให้ตนเป็นอย่างนั้นก็เพราะความคิดของเราปล่อยให้คิดไปมากเท่าไรก็ไม่มีการยับยั้งกันก็ยิ่งไปเรื่อยๆและทาให้เกิดความทุกข์มากแล้วขาดสติสตังกลายเป็นบ้าไปเพราะความคิดมากนี่เป็นสิ่งสําคัญที่เราจะต้องยับยั้งจิตใจของเราให้ดี อย่าให้เสียไปพยายามระมัดระวังให้จิตอยู่ภายในเมื่อคิดถึงเรื่องใดเรื่องนั้นตา ก, ทำกำรทํากวามเดือดร้อนแก่ตนให้ระงับทันทีถ้าคิดถึงสองครั้งสามครั้งไปก็เทียบอูกมาเหมือนไฟมาจี้เราเราจี้ไฟเอาไฟจี้ตนเองทั้งหนึ่งเจ็บหนหนึ่งรั้งที่สองซ้ำขยี่เจ็บมากขึ้นรั้งที่สามเจ็บมากขึ้น ถ้ายิ่งซ้ำหลายครั้งแลายหนก็เปื่อยไปหมดทั้งร่างกายของเราอันนี้ความคิดสิ่งที่เป็นความผิดคิดขึ้นมาครั้งหนึ่งก็เกิดความเดือดร้อนภ า, นายในใจ ห, หนึ่งสองหนสามหนติดต่อกันไปเรื่อยใจก็หาหลักคิดมาได้เลยเป็นฟืนเป็นไฟหมดทั้งดวงนอกจากนั้นสติสตังก็ไม่มีนี่ยิ่งเป็นเรื่องที่เสียใหญ่เสียมากทีเดียว ไม่สมควรอย่างยิ่งที่เราจะปล่อยใจท่องเหน็นี่คือหลักการประพฤติปฏิบัติขอให้นำประพฤติปฏิบัติอย่างนี้เราอย่าเสียใจโลกนี้มันเป็นอย่างนี้ไม่ว่าท่านว่าเราในโลกโลกไหนทวีปไหนเป็นเหมือนเหมือนกันหมดเราอย่าคิดว่ามีแต่ของเราคนเดียวลูกเราคนเดียวหัวเราคนเดียวเมียเราคนเดียวหลานเราคนเดียวเป็นตายอย่างนี้ถ้าคิดอย่างนี้ก็ เป็นการเห็นแก่ตัวเกินไปความเห็นแก่ตัวแบบนี้จะก่อความวุ่นวายก่อความเดือดร้อนก่อความทุกข์ทรมานจิตใจให้แก่จิตใจให้แก่เรามากมายกายกองถ้าเราพิจารณาให้เห็นสภาพความจริงเหมือนโลกทั่วไปทุกคนทุกสัตว์เป็นไปได้เช่นนี้ด้วยกันเขาเหมือนเราเราเหมือนเขาแล้วก็พออยู่พอเป็นพอไปพออดพอทนดังนิทานท่านยก มาไว้ให้เราทั้งหลายได้อ่านได้พิจารณาไกดองเช่นย่างกีสาโกตมีลูกตายไม่ไม่เคยเห็นคนตายเวลาลูกตายเข้าใจว่าว่าจะเอาคืนได้คุณ ง, ง่ายง่ายมันจะฟื้นได้แล้วไปหาใครให้ช่วยเป่าเศกให้ลูกฟื้นมันก็ไม่ฟื้นเขาก็หาอุบายบอกไปหาพระพุทธเจ้าเมื่อเวลาให้ไปหาพระพุทธเจ้าแล้วโทองค์ก็มีอุบายเพราะพระพุทธเจ้าเป็นจอมปราดเราให้ไปหาม มเมล็ดงาในบ้านไหนที่เขาไม่เคยตายเลยปู่ย่าตายายลูกเต่าหลานเหรนไม่เคยตายเลยถ้าเอามเร็ดงาจากบ้านนั้นแหละมาเราจะตำทาน้ำมันโขกทำน้ำมันเซตเต่าให้ลูกของคุณ น, นั่นเฟื้นขึ้นมาแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นจะก็ไปเที่ยวหาในที่ต่างๆไปบ้านไหนก็มีแต่ลูกกอด คนบ้านนั้นลูกตายบ้านนี้หลานตายบ้านนั้นพ่อตายบ้านนี้แม่ตายบ้านนั่นคนนั้นตายเลยไม่มีบ้านไหนที่ว่าไม่มีคนตายเลยจึงย้อนเข้ามาถึงเรื่องสภาพของตัวเองว่าเหมือนกันกันกบโลกไม่ใช่เป็นแต่เราคนเดียวเลยได้สติสตังขืนหมาและเรื่องความทุกข์ความลําบากนั้นก็หายไปได้ปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นได้สําเร็จโสดาปฏิทิน เพราะเรื่องอันนี้เป็นเหตุนี่เราถึงแม้จะไม่ได้โสดาบปฏิมาคปฏิผลก็ตามความดีความมีสติยับยั้งตนได้ด้วยหลักธรรมที่กล่าวมาแล้วนี่เดเป็นที่มงคลอย่างยิ่งที่จะประคองตัวไปได้เมื่อความรู้เท่าทันทั้งภายนอกภายในว่ามันเป็นเหมือนๆกันเราก็จะพอปลดปล่อยลงได้ตามความจริงของมัน การแสดงธรรมวันนี้รู้สึกว่าแสดงลำบากเพราะกระทบกระเทือนมากจึงค่อยตะเกียกตะกายว่าไปไม่จุใจขอให้ท่านทั้งหลายได้นำไปพินิษที่จะหนาวันนี้การแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรแต่เพียงเท่านี้เอวัง